อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและนางเตือนใจสิมทุบ น, นิชรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญท่านติดตามรับฟังค่ะ รุ่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมาราบรุญซึ่งก็เป็นภาคพิเศษนะคะดิฉันจะได้นําท่านผู้ฟังทางบ้านมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ไพบุตอภิปุนโนซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดรสะอาดทิ่ภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก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 ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่คิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการธรมรมาราปุญนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็คงจะตื่นเช้าขึ้นมาฟังสิ่งที่เป็นมงคลนะคะในรายการธรมรมาราปุลนสบายใจแล้วก็อาจจะนอนต่อก็ได้นะคะหรือว่าจะไปทําบุญตามวัดวาอารามของเราก็เรียนเชิญตามศรัทธาภาษาธากันเลยนะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก่อนนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้อมสักการะพระบิดาพระคุณหลวงพ่อ เสะอาดทิโตภาโสและพระอาจารย์ไพบุญอภิบุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกตำบุรดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะก็ขอกราบนมสักการเจ้าค่ะหลวงพ่อและก็พระอาจารย์เจ้าค่ะเอินก่อน เจ้าค่ะกับขอบความกรุณาดังนี้เจ้าค่ะยมเกินไปแล้วเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะเจ้าค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักสูตรรีเกรนปฏิบัติสมาธิปริสนาของวัดป่า ด, ดอนหายโศกันต่อแต่ว่าจะมาพูดในประเด็นที่อยากจะคิดว่าโยมประทับใจกับหลักสูตรของทางวัดนะเจ้าค่ะก็คือหลังจากที่พอสุดท้ายของวันวันสุดท้ายนั้นเนี่ยก่อนที่หลวงพ่อจะได้เมตตาให้ประกาศ นิยบัตที่ผ่านหลักสูตรแล้วนะเจ้าคะหลวงพ่อก็ยังช่วงที่เราปฏิบัติสมาธิเนี่ยหลวงพ่อยังเมตตาที่จะเรียกให้เป็นกลุ่มๆนะเจ้าคะขอถามหลวงพ่อนิดนึงเจ้าค่ะว่าหลวงพ่อเมตตาทําอย่างนั้นเนี่ยแล้วเท่าที่ผ่านมาหลวงพ่อรู้สึกเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นทุกค น, นเจ้าค่ะเป็นการปฏิบัติร่วมกันเจ้าค่ะปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อยก็จะเป็นลักษณะที่ กลุ่มย่อยลงมาใช่เหมือนกับเวลาเราไปสัมมนาอะไรที่ต่างๆเงี้ยกลุ่มใหญ่ก็มีกลุ่มย่อยก็มี ค, คือแบ่งกลุ่มย่อยนะใช่ะแล้วเราก็จะมีการจัดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะคะในการที่จะไปปฏิบัติกลุ่มย่อยกันใช่ค่ะทีนี้สาหรับรุ่นยี่สี่นี้หลวงพ่อเจ้าค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาสามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างดีมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเขาปลื้มใจมากจนร้องไห้โฮโฮเลยนะเจ้าค่ะอันนั้นเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะหลวงพ่อเล่านิดนึงเจ้าค่ะ ตะมาพูดไม่ถูกเป็นวันจะพูดสองคนสาคนได้เหรแต่พูดพอกขยายเสียงมันพูดยากเจค่ะไม่เป็นไรเจค่ะแต่ว่าจะผู้ได้จะพูดฟังฟังว่าอมีเพื่อนมีโยมท่านหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะจิตละเอียดยิ่งขึ้นเพราะว่ามาไม่ใช่ครั้งในครั้งแรกดังนั้นก็จะสามารถทําและก็มองเห็นอะไรแล้วรู้สึกว่าตัวเองปรับปรื้นมากเลยก็ก็เป็นความชื่นใจที่ว่าเขาเรียกว่าจิตละเอียดขึ้นนะนะเจ้าค่ะ เ ร, เรื่องผลของการปฏิบัติเนี่ยแล้วสิ่งที่พระเจ้ายืนยันก็คือว่ามันก็จะมีก็จะละเอียดไปเป็นขั้นๆ ค, คนที่ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยมีการหลีกเล่นมีการสังเกตลมหายใจมีสติเนี่ยจะเป็นผู้แตกแานช่ำชองในบางสิ่งมากขึ้นก็ถ้าภาษาบ้านบ้านเราก็พูดว่าละเอียดแล้ว ม, มีละเอียดอีกเพราะในเรื่องของ ตรงนี้เนี่ยจะมีปิติสุขเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นได้อาการของปิติสุขที่เกิดขึ้นอ่ะจะมีการร้องไห้บางอย่างเราดูหนังซึ้งๆอย่างเงี้ยนะแล้วน้ำตาไหลบ้างดีใจมากก็น้ําตาไหลบ้างไงก็เป็นไปได้ซึ่งนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลตอนนั้นเขาก็จะรับสราบในถ่วงเขาเองอก็เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังถ้าต้องการมาปฏิบัติเนี่ยธรรมาก็คิดว่าเราต้องสร้างเหตุให้ถูกในเหตุของการที่เราจะมีความสุขได้เห็นธรรมะได้เนี่ย คุณต้องมีสติ ค, คุณจะมีสติได้คุณต้องหลีกเล้นเพราะฉะนั้นคนที่มาแล้วเนี่ยถ้าเขาเป็นปฏตามกฎเปะเลยนะะคุณ ก, การหลีกเล่นลรับการั้นแต่พอดีมานั่งสมาธิบ่อยๆแล้วก็ฟังธรรมะด้ว ย, ยมันมันได้แน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าฟันถงไว้วได้มากน้อยละเอียดก็อยู่ที่บุญของแต่ละคนพระพุทธเจ้าใช้คำ ว, ว่าวอินทรีย์บารมีคือศรัทธามีิริยสติสมาธิปัญญาของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนมีศรัทธาน่าศรัทธาน้อย นัสมาธิวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่เท่ากันใช่คตรงนี้แหละจะเป็นตัวแปรที่สําคัญที่ทําให้คุณเนี่ยได้หรือไม่ได้ใะแล้หลวงพ่อก็ตามมาตมาก็ตามหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็เพียงแต่บอกนะเรามาเรียกมาปฏิบัติร่วมกันบ้างเรียกปฏิบัติกลุ่มย่อยบ้างก็ได้แต่ให้ข้อมูลใะผู้ผู้นั้นเนี่ยลามาใจก็อของเขา นันติก็ของเขาเขาฝังทําก็หูเขาเองเพราะนั้นเขาต้อรับเองวางเองสังเกตเองรู้เองก็คือจะทได้เองเราเราที่วัดเราเนี่ยนะตั้งแต่บุคลากรคนวัดยันเจ้าอาวาสเนี่ยหน้าที่เราก็คือจัดหาสิ่งที่สมควรในการปฏิบัตินะตั้งแต่เสนาสะนะอาหารธรรมะที่เราเลือกมาแล้วก็เหมาะสมในการปฏิบัติแต่ละวันะนะเพราะฉนั้น ในการหลีกเล่นของเราเนี่ยจึงเน้นที่เรื่องสองสญญาอย่างเท่านั้นเองคือเรื่องแรกก็เรื่องการหลีกเล่นค่ะพุทธวจนะในเรื่องที่สองคือบุคลากรทุกคนเนี่ยจะต้องมีจิตใจที่มีเมตตาเจาค่ะตั้งแต่คนวัดจนถึงทุกคนอ<า>่ะคือคนทําอาหารในด้วยก็มีมากเลยแล้วทุกคนเนี่ยต้องมานั่งสมาธิอื่าจะมาะะนี่เป็นนโยบายอืถ้าเราไม่ฝึกจิตเราเราจะช่วยองค์กรเราไม่ได้ค่ะเั้นเราเองเนี่ยเป็นคนช่วยเขาเราก็ต้องทํา แลอย่างที่สามก็คือในเรื่องของอความสากความเป็นร ะ, ระเบียบเรียบร้อยก็ต้องก็ต้องมีตรงนี้นก็จัดหาได้อย่างนี้แล้วแต่ละท่านแต่ละคนมาเนี่ยก็ให้เขาเป็นผู้ทำเองปฏิบัติเองเขาจะได้ผลเองอดีมากเจ้าค่ะโยมจำได้ว่าวันที่ได้ไปกลุ่มไปที่ กาป็นบบ<อ>ุเจ้าค่ะปฏิบัติที่หลวงพ่อโยมเองก็มีความมีสุขมากแล้วก็ปื้มปิติมากก็น้ําตาไหลเช่นเดียวกันโดยที่อยู่ๆก็น้ําตาก็ไหลออกมาเองนะเจ้าค่ะซึ่งวันนั้นก็ก็รู้สึกมีความสุขมากจนกระทั่งสุขมาถึงปัจจุบันนี้เจ้าค่ะแล้วก็คิดว่าสิ่งหนึ่งที่โยมไม่ลืมเลยก็คือที่พระเดชพระคุณพระอาจารย์ไพบูลแล้วก็หลวงพ่อสอนไว้ตามที่มีประกาศต่างๆว่าเราทานหรือว่าเราทานอาหารอะไรต่างๆเนี้ยก็เพื่อให้เราเนี้ยกำจัดเวทนาก็คือความหิวของเรา แต่มีสิ่งหนึ่งก็คือให้ระวังก็คือไม่ต้องไปสร้างเวทนาใหม่ก็คือทานก็ไปซะจนอิ่มอืดอัดอะไรอย่เงี้ยนะเจ้า่ะซึ่งอันนี้โยมก็บอกเพื่อนๆที่เป็นน้องๆก็ก็ให้ปฏิบัติกันต่อไปนะคะแต่นี่มีสิ่งหนึ่งที่โยมคิดว่าโยมอยากจะให้หลวงพ่อหรือว่าพระอาจารย์พบูลนพิพิพโนเนี่ยได้เล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทั่วประเทศซึซ่งตามรับฟังรายการธรรมาราบุรุนของเราได้รับทราบก็คือที่โยมไปทับใจว่ามีธรรมะจากพุทธวจนะของ พระสะมณะสัพพุจิจ้าในขณะเดียวกันวันสุดท้ายที่เราปฏิบัติทำร่วมกันนั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็ยังเมตตาที่จะนําธรรมะาจากเรื่องของการดํารงชีพของคาริหัดเหมือนกับเป็นการบอกอเจ้าข่าว่าพอเราออกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่คาริหัดทั่วไปเนี่ยดำรงชีพเนี่ยควรจะดํารงชีพอย่างไรอันนี้อยากให้พระอาจารย์เมตตาเล่าให้ทัมโมฟังทางบ้านได้รับทราบเป็นประโยชน์ด้วยเจ้าค่ะอันนี้ก็ท่านพุทธทาสได้รวบรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งในอริยสัจจากพระโอษฐ ใช่ค่ ะ, ะซึ่งเป็นคําของพระพุทธเจ้าล้วนๆก็พกระพุทธเจ้าได้ตอดอรัสเอาไว้ในรวบรวมเป็นเรื่องก็คือเป็นเรื่องของอสัมมาวจาร์คือมรรคมีองแปดนี่นหละเจ้าค่ะเราก็เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นสัมมาวจาระแต่คุณออกไปคุณจะใช้ปากพูดเนี่ยต้องพูดยังไงเจ้าค่ะ่ข้อไม่ดีของคนอื่นยาวมาพูดนะเจ้าค่ ะ, ะพูดแต่เรื่องดีของคนอื่นอ่าถึงจะได้ว่าตัวเองเป็นคนดีเจ้าค่ะถ้าใครเนี่ยเอาเรื่องของคนอื่นเรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นมาเปิดเผยให้ปรากฏเนี่ย ที่ว่าเป็นคนไม่ดีอันนี้พุทธชาก็บอกไว้อันนี้เรื่องของการพูดเราก็ยังเอาเรื่องของสมากรรมันต์ตคือการประพฤติที่ดีการปฏิบัติตัวที่ดี อ, าอ่ายังเอาเรื่องของสมาอาชีวะในวิธีการเลี้ยงชีพชอบทำยังไงคุณจะดูแลพ่อแม่ยังไงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพ่อแม่ญาติมิตรเพื่อนลูกเมียลูกน้องเจ้านายแ ล, แล้วก็อ่าก็เรียกว่าสัมมาพราหมพุทธช้างสอนไม่หมด เจ้คะ่ะพระพุทเจ้าเนี่ยสอนไม่หมดตั้งแต่เรื่องหยับยาอย่างพระเนี่ยสอนพระแม้กระทั้งว่าคุณจะห่มผ้า ย, ยังไงพับผ้า ย, ยังไงไปปิณดาบาดยังไงสอนหมดจนทั้งเรื่องละเอียดถึงขนาดปล่อยวางแม้ความเป็นตัวตวนที่อย่างนั้นก็สอนกระว่าเนี่ยสอนทําบุญยังไงอยู่บ้านกินอะไรสอนหมดอ่ ะ, ะอะอย่างที่ ค, คุณเป็นใจเมื่อกีุณบอกว่า้เรากินข้าวลักษณะ น, นั้นดีประทับใจมากเาค่ะที่เด็กระพุเาเคอนเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นเหตุที่ทําให้สามารถสังเกตลมหายใจได้นะถ้ากินพอประมาณกะรบริหาพอประมาณไม่อิ่มเกินไปเช่ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของอสมรรถาชีวะในการเลี้ยงชีวิตอาชีพไหนที่ควรทาไม่ควรทําอ่าแล้วก็ยังรวมถึงการใช้จ่ายทรัพย์ค่ะว่าเงินที่เราได้มาเนี่ยจะแบ่งจ่ายยังไงอซึ่งอันนี้อารมาก็ได้พูดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในืครงการทําทานเช่นค่ะ ว, ว่าจะต้องแบ่งจ่ายทรัพย์เลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกเมียให้อิ่มหนำแล้วก็มาใช้จ่ายทรัพย์ในการจ่ายภาษีจ่ายค่าย า, ายามจ่ายค่าประกันอันดับสามก็มาช่วยเหลือดูแลญาติมิตรช่วยชาติอะต่างแ้วอันที่สี่เป็นค่อยทําบุญเจ้ค่ ะ, ะ, คะก็สอนหมดพระเจ้าสอนหมดหมก็เลยได้รวบรวมเรื่องเหล่าเนี้ยมาไว้ในวันสุดท้ายเพื่อที่จะบอกให้ผู้อิริยาบถทราบว่าออกฉันออกไปเรืทํานี้เจ้า่ ะ, ะแล้วก็ ในวันสุดท้ายวันที่จะเลิกเนี่ยก็ได้มีพูดถึงสรุปว่าการเป็นฏิบัติของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรไปจากศีลสมาธิปัญญาค่ะสามเรื่องนี้เท่านี้ที่พระเจ้าสอนซึ่งรวบรวมจะแตกย่อยออกไปก็เป็นมรรคโยงแปดจค่ะอ่า ถ้ารวมเข้าไปเป็นเหลือได้อีกเพิ่มลมหายใจอย่างเดียวจิตของเราอเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์พิบูลได้ได้พูดให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบถึงกฎต่างๆเจ้าค่ะว่าเครือข่าเนี่ยควรจะวางตัวอย่างไรอย่างที่พระอาจารย์สอนนะเจ้าค่ะค่ะวันนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไวอ้ะอะารมาก็พูดตามพระพุทธเจ้านะ้าค่ะคำถาแรกก็คือเรื่องของปากก่อนอปากเราเนี่ยควรจะใช้อย่างไงพะพุทธเจ้าบอกว่า วาจาใดอันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่สมควรแก่วลาเนี่ยไม่ต้องพู ด, ดอ่าประเด็นก็พูดแต่เรื่องที่มันฟังแล้วสนสโนสดเป็นวาจาที่ไพเราะแค่นั้นเองเรื่องใดพูดไปแล้วเนี่ยจะทำให้เากัดเคืองเป็นเรื่องวาจาที่กระทบกระเทียบก็ไม่พูดนะแล้วก็เรื่องดีของคนอื่นเอามาพูดเรื่องไม่ดีของคนอืนอย่าพู ด, ดแต่ถ้าพูดไปแล้วเขาจะเจ็บใจเขาจะจี๊ดอย่าพูด ให้พูดเรื่องที่เราจะสบายใจค่ะเวลาไหนพูดเขาแล้วเขาจะเคืองเขาจะโกรธอย่าพูดให้พูดในเวลาที่เขาจะไม่โกรธจะไม่เคืองเราก็จะเป็นผู้มีสมาวารจาร์แล้วก็เรื่องเวลาเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยนะถ้ามีคนมาถามเนี่ยอย่าพูดครับ ถ, ถ้ามีคนไม่ถามนะก็ไม่ต้องเปิดไปให้ปรากฏแต่ถ้าถูกถามจังหน้าพูดนิดเดียวค่่ะอาเรื่องดีๆของคนอื่นเนี่ย ถ้าคนอื่นไม่ต้องไม่ถามเรานะเอามาพูดออืเอาเรื่องของคนอื่นดีๆของคนอื่นมาเปิดเผยหนังสือพิมพ์ฟังไปด้วยเอาเรื่องดีๆของคนอื่นมาเปิดเผย <c oughs> แต่แต่เรื่องไม่ดีเนี่ยนะเรื่องไม่ดีคือไม่ต้องเรื่องดีๆเนี่ยนะไม่ต้องถามก็ให้พูดแต่แต่ถ้าถามในรายละเอียดต้องยิ่งพูดอย่างละเอียดเจ้ค่ะอ่า เรื่องดีๆของคนอื่นนะคือแสรรเสริมยิ่งขึ้นไปเลยนะจ๊ะค่ะในรายละเอียดเลยแต่อย่าไม่ต้อง<ช>พูดให้มันโอเวอร์เกินไปพูดตามจริงแต่ในรายละเอียดจ๊ะค่ะให้รายละเอียดไม่ต้องมีการลดเลี้ยวลดหยอด่อนจะค่ะอ่าแต่ถ้าไม่ถามเราพูดได้เลยจ๊ะค่ะนี่แหละจะเป็นมาจาของคนดีอันนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตเพราะว่าอ่าถ้าเราโฆษณาเรื่องดีๆมากๆนะคุณเฉยใจอย่างในกรณีของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเราพูดแต่เรื่องดีๆสร้างสรรค์เรื่องดีเนี่ยจิตของคนเราเนี่ย เมืนเน่อรับฟังสิ่งใดๆมากได้ยินสิ่งใดๆมากเนี่ยจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเจ้ค่ะสมมุติคนเราได้ยินแต่เรื่องดีๆเนี่ยจิตมันจะน้อมไปในสร้างกับสร้างกุศลเจ้ค่ะถ้าจิตได้ยินเรื่องไม่ดีและฟังแต่เรื่องแย่ๆโอ้นี่ก็แย่นั่นก็ไม่มันก็จะน้อมไปในเรื่องอย่างนั้นอย่างนั้นใช่เจ้ค่ะเอาเป็ถ้าเราโปรโมทหรือว่าสนับสนุนสิ่งที่ดีๆเนี่ยจิตจะน้อมไปอย่างนั้นพระเจ้านี่เล็งเห็นตรงนี้จึงให้พูดแต่เเเรรรรรืืืื่่่่อออออออองงงงงงงดีีััันนน้กกกกขขวาาาาาจคใปฏิิบตตยทํไ ให้อยู่นสีแต่พรนะเจ้าอธิบายเรื่องของสีอย่างละเอียดตั้งแต่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามรนะแล้วก็สามอย่างนี้ไม่ลักขโมยนะสี่อย่างนี้ก็จะทําให้เราอยู่ในสมากามันตะเจ้าค่ ะ, ะเวลาเราอยู่ในตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ปราศจากเขาเรียกกรรมมันเป็นบาปนะห้าประการก็คือในเรื่องของสีนั่นแหละเราต้องมีสี ใ, ใช่ ค, คุณมีสีนี่น ะ, ะคุณตื่นใจเวลาเรา เข้าสู่ที่ไหนเนี่ยไม่ต้องคั้นคลามไม่ต้องเกรงกลัวแต่ว่าเขาจะมาโจดเราขเขาจะมากล่าวหาเราคุณฆ่าสัตว์คุณลักทรัพย์คุณโกหกก็เราไม่ได้ทำเจ้าค่ะใช่ไหมเราไม่ได้ทาเราไม่ต้องกลัวเลยแต่ขเข้าสู่บริษัทอย่างไม่คั้นครามเป็นผู้ก ล, กล้าในการที่จะไปไหนก็แล้วแต่เจ้ค่ะแล้วก็บริษเจ้าอย่างสันเสริญของเรื่องหัวสีเนี่ยทาให้ไปสวรรค์จะไม่มีพวกทรัพย์อะไรต่างๆด้วยเจ้คะ่ะอีกประการหนึ่งคือเรื่องของที่ทั้งหก พระพุทธเจ้าก็ได้สอนในรายละเอียดว่าพ่อแม่มานาบิดาเราควรจะปฏิบัติต่อท่านอย่างไงทั้งสองฝ่ายเลยมานาบิดาจะปฏิบัติต่อลูกอย่างไงก็ยกตัวอย่างเช่นว่ามานาบิดาต้องห้ามห้ามลูกเสียชักบาปให้ตั้งอยู่ในความดีให้เรียนศิลปะวิทยาอะไรพวกนี้ลูกเองถ้ามานาบิดาปฏิบัติอย่างนี้นะเราต้องเลี้ยงท่านตอบเราต้องดูแลรับใช้ท่านเราต้องอใช้จ่ายทรัพย์เอเหมาะสมอะไรแบบนี้ ลันดับต่อไปก็เรื่องของอมิตรสหายคคเพื่อนเนี่ยเราต้องดูแลเพื่อนยังไงต้องป้องกันเขาจากความประมาทคอยรักษาทรัพย์ของเขาแนะนําสิ่งดีๆให้อันนี้เป็นเพื่อนดีได้คคต้องปฏิบัติต่อกันอย่างนี้วิโก้เป็นกาลยนานมิตรนะจ๊คคะแล้วก็บุตรภรรยาเราต้องเลี้ยงดูบุตรภรยา ย, ยังไงภรรยาเนี่ยเราต้องคอยยกย่องสรรเสริญเขาคอยให้เครื่องประดับบ้างพร่เจ้าก็สอนไว้พรรยาควรปฏิบัติต่อ สามีอย่างไรอา่าไม่นอกใจสามีก็ไม่นอกใจปรรยาก็ไม่นอกใจดูแลกิจการงานอย่างดีอสานอา t น i อ่าล้วก็ยังมีเรื่องของลูกน้องนะลูกน้องต่างๆเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวกับเขาอย่างไรซึ่งพระรูปชาติบอกว่าคนที่ปฏิบัติตามเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยะจะเป็นผู้ที่ไปทิศไหนก็ไม่มีภัยเป็นผู้ที่กเกษมนะไม่มีภัยเกิดขึ้นสมมติองกาออกจากบ้านเนี้ย มึงวรต้องดูเข้มจริงกันดูเวลาเงมันเวลาชงหรือเปล่าหรือว่าเวลาหมดชงนะม่มีขวาว่ะไม่วรนะแต่ถ้าเราปฏิบัติตามทิศหกอย่างถูกต้องแล้วไม่มีภัยคุณจะไปทิศภาคใดเหนือใต้ออกตกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อะไรไปได้หมดะไม่มีภัยเกิดขึ้นสบายใจอย่างสามีภรรยาอยู่ด้วยกันน่ะคนที่นอนข้างเตียงกันเนี่ยจะเป็นภัยเป็นเป็นโทษแก่กันถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ ค่ะเรื่องความไม่นอกใจเรื่องของการคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันที่ดูคนนั่งนอนข้างเราเน่ะเป็นไปกับเรานะห อ, อันตรายมา ก, กแล้วพระเจ้าพูดถึงวิธีการป้องกันแบานี้ไว้หมดอืมเราก็ยังรุนถึงเรื่องการใช้จ่ายซั์แล้วพระเจ้าเนี่ยทราบถึงเรื่องระบบของกระแสงเงินเงินเข้านัะต้องมากเงินออกอล้วชดไว้อย่างนี้นะค่ะ โอ้ละเอียดมากจึงไม่น่าเชื่อเจ้าค่ะพอโยมฟังแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าคำถอนของพระธองค์นั้นเนี่ยจะละเอียดลึกซึ้งถ้าเราปฏิบัติตามแล้วเราทราบเนี่ยเจ้าค่ะ ช, ชีวิตในสังคมนี้จะเป็นสุขมากๆเลยเจ้าค่ะแล้วยิ่งคนที่นั่งสมาธิไปฟั ง, ฟงไปด้วยเนี่ยมีจิตที่เป็นหนึ่งเนี่ยน ะ, ะ, ะบทเพลงชนะของพระเจ้าเนี่ย กำหนดรอบครอบลึกซึ้งมากเจ้าค่ะตมาไม่สามารถกำหนดหมดเป็นชนะได้เหมือนพุนทธเจ้าอืมเจ้าค่ะคือเราต้องเอามาบทเพียนใจอัมพุทธเจาเนี่ยแหละมาบอกให้คุณื่นฟังเพราะเงียบมากและมีเรื่องของอุปมาอุปไ ม, ม, ม้อะไรต่างๆจริงๆสิ่งได้ใช้พระธวจนะนี่แหละเป็นหลักเจ้าค่ะอถ้าผู้ที่หลีกเลี้ยงไปเนี่ยเดี๋ยวคุณตื่ใจก็จทราบมาประมาณเก้าสิบห้าถึงเก้าสิบกเปอร์เซ็ตของหลักสูตรเราเนี่ยเป็นพุนทธวจนาหมดอืมเจ้าค่ะดีมากเลยเจ้าค่ะการฟังทำป้ายต่างๆ ข้อวัดปฏิบัติอการทําจิตหน่ยก็เป็นใช้พุฏธวัชนาหมดแล้วก็ในแต่ละวันอันนี้ต้องขยายความไปถึงในแต่ละวันะน ะ, ะว่าในแต่ละวันเนี่ยธรรมะที่เอามาบอกสอนเนี่ยก็จะไล่ไปเป็นตามลําดับแต่วันนี้จะเอาเรื่องความเพียรบอกเรื่องความเพียรอย่างเดียวเลยวันนี้จะอธิบายถึงเรื่องสมาธิ ล, ลึกซึ้งเป็นยังไงแง่มุมของจิตซ้ายขวานหน้าหลังจะต้อทอํายังไง องประกอบในการที่ทําให้เกิดสมาธิก็ควรระวังโทษอ น, นิสงส์อะไรต่างๆบอกหมดออีกวันหนึ่งก็จะพูดถึงเรื่องของอริยสัจสีโดยกว้างๆทําไปทําไมในอริยสัจสี่รู้ว่าจะได้ประโยชน์อะไรควรต้องรู้ระดับไหนอะไรเร่องเหล่าก็จะพูดหมดซึ่งซึ่งตรงเนี้เป็นสิ่งที่อเราก็จะเลือกเรื่องมาที่เหมาะสมในแต่ละวัน แล้วหลวงพ่อเองท่านก็จะนําเรื่องเนี้ยบางวันท่านก็จะเทศบอกสอนนําเรื่องนี้มาสรุปกลับไ<ช>ปฟังอีกทีหนึ่งในช่วงที่ท่านเทศสอนอย่ไหมคะใช่ค่ะซึ่อโยมรู้สึกว่าหลวงพ่อเองเนี้ยแบบว่าได้เหนื่อยเวลามีหลักสูตรอบรมนะเจ้าค่ะนอกจากพระอาจารย์ไพบูลแล้วก็ยังมีหลวงพ่อมาเทศด้วยทตนี้ที่หลวงพ่่ด้วยเรื่องมาเทศนี่เจ้าค่ะอ่หลวงพ่อเล่าว่านิดนึงเจ้าค่ะว่าว่าเป็นยังไงบ้างอะเจ้าค่ะ ก็เททไห้เข้าใจในวิธีปฏิบัติเจนพอเจ้ะค่ะอย่างคนนั่งสมาธิไม่เป็นก็ต้องย้ํามาต้องทําอย่างนี้ถึงนะได้เจ้ า, าค่ะแต่ว่าเออให้คอยรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเจ้าค่ะจะส่งแครไปทางอื่นอย่าส่งใจ ไ, ไปเรื่องนั้นเรื่องนี้อดีตนาคตอะไรอย่าส่งไปเจ้าค่ะให้กีดนิ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่ตลอดเจ้าค่ะอ่าก็จะสอน วันเนี่ยเจ้าค่ะวันสุดท้ายก็วันจะไปสอบแล้วไปไปฏ <ไป S 2> ิ บ, บัติร่มกันที่กลุ่มย่อยนะเจ้าค่ะอืมอันนี้อาจารเราก็จะเทศก่อนเทศว่าทำยังไงทำพิพิชนาเนว่าวิพิชนาทําว่าตัวของเราเนี่ยมันแยกแยะให้รู้ว่ามันไปยังไงในตัวต้นขออ้อกี่จริงไหมอะไรเงี้ยนะเจ้าค่ะอ่าเดี๋ยวทุกคนฟังแล้วก็พยายามทําตามเจิตก็สบาย ยังอยากขอความเมตตาหลวงพ่อได้เาล่าให้ท่านฟังทางบ้านฟังนิดเจ้าค่ะตามที่หลวงพ่อได้สอนพวกเราอ่เจ้าค่ะว่าทําวิปัสสนาเนี่ยพอเราทําสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยวิปัสสนาเราต้องนึกยังไงบ้างเจ้าค่ะที่ว่าธาตุจันทร<ล>์เจ้าค่ะโละหมายใจเป็นทั้งสมะสมพะเป็นทั้งวิปัสสนาเจ้าค่ะแต่ที่ก<ไ>ารที่เราเจ็บพิจารณาวิปัสสนาเนี่ยคือแยกแยะตัวตนล อ, อยเห็นเป็นธาตุสี ให้เห็นเป็นอรสุขะอะไรอย่างเงี้ยโชก้าอธิบายเรื่อง่านี้ฟังค้น้อมความคําอธิบายนั้นมาดูที่ตัวเราว่าตัวเรานี่เกิดขึ้นมาเป็นคนแล้วต่อมาก็แก่ให้สุขก็ตายไปใครไม่ได้เลี่ยงทําความดีก็จะเสียโอกาสที่จะมาเกิดเป็นคนโชก้มามองเป็นคนแล้วไม่ได้ปฏิบัติดีไม่ได้ปฏิบัติตตสีไม่ปฏิบัติสมาธิไม่ให้ทานเลยมันเสียประโยชน์ที่สุดเลยโชก้า ก็จะสอนพวกนี้ให้เข้าใจผู้ฟังบอจะมนความเข้าใจแล้วก็สามารถนํำไปปฏิบัติพี่นี่ก็มีการรวบรมคลุ่มใหญ่ระดับไหนจะค่ะแล้ก็ถามปัญหาก็นนี่นี่หลายอย่างจะค่ะ <c oughs> คนผู้ฟังทําใครทําให้เป็นก็สอนให้สอนทําให้เป็นให้เราทำทนี่อย่างนี้เลยลวับจับมือเขียนเลยจะค่ะ <c oughs> ที่ว่าต้องมีการย้ําบ้างอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> เพราะว่าไอกจากว่าผู้เรียนแต่ท่านเนี่ย ก็จะมีการปฏิบัติในรูปแบบต่างๆมากมาอยาะะอะ่ะสำนักต่างๆก็จะสอนในรูปแบบที่ตัวเองถนัดท่านก็ทําสิ่งที่ท่านถนัดก็ดีแล้วในขณะที่ถ้าอการปฏิบัติที่วัดเราเนี่ยเขาใช้สิ่งที่พระเจ้าสอนคืออนาปันสติเพราบางทีเนี่ยอ่บางคนอาจจะยังไม่เคยชินในเรื่องของการสังเกตลมหมยใจสังเกตไม่ได้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเงี้ยอาจจะสร้างเหตุไม่ถูกเราก็ต้องมีการบอกย้ําพวกนี้ด้วย่อาสาเหตุที่ต้องมีการ สอนวิปัสนาในวันถัดๆไปทําไมไม่สอนตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตต้องเป็นสมาธิถึง <Okay. S 1> จะเห็นได้ตามที่เป็นจริงคือสมาธิจิตที่เป็นสมาธิแล้วเนี่ยจะรู้ได้ตามที่เป็นจร <Okay. S 1> ิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเปิดโอกาสให้จิตเนี่ยได้ฝึกได้มีการทําจิตให้เป็นสมาธิก่อนในสองาวันแรกเจ <Okay. S 1> ้าค่ะเราจึงค่อยบอกสอนแต่จริงๆแล้วอาณาปานสติอย่างที่หลวงพ่อว่านั่นแหละซึ่งตรงกับพระพุทธเจ้าพูดนะว่าเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาไปตพร้อมกัน เพราะนั้นเราก็เลยเลยใช้อนาปานสติกเนี่ยมันก็เรียกว่ารอบตัวคะ่ะหมุนได้รอบตัวทำได้รอบทิศเขาเรียกว่ามีความยืดหยุ่นมากก็โยมอเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อเริ่มจสะอาดก็เพราะว่าเผื่อว่าท่างฟังทางบ้านในไรท่านก็ยังไม่ได้ทําวิปัสสนาเนจ้าค่ะคือ<ม>อาจจะผู้คนมาอ้านั่งสมาธินั่งสมาธิแต่ว่าวิปัสสนาที่จะนึกถึง ตามที่เป็นจริงอะเจ้าค่ะอยากให้หลวงพ่อพูดตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงว่าพอเราทําสมาธิได้แล้วเรียบร้อยเนี่ยให้เรานึกถึงว่าร่างกายนี้อันนี้โยมก็พูดตามที่หลวงพ่อสอนนะเจ้าค่ะประกอบด้วยดินน้ําลมไฟอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอหลงวงพ่อพูดตรงนี้นิดนึงนะเจ้าค้าเพราะว่าคิดว่ามีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านอยากจะทราบจากปากของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านกสะอาดเจ้าค่ะอยากให้ไปปฏิบัติก่อนจะพูดจะพูดในฝังเอี้ยเลย คือถ้าจะพูดอ่าอย่างคร่าวๆนนี้เดียวคือเห็นตามที่เป็นจริงทนั้นเองคือตามที่เป็นจริงเป็นจริงคือร่างกายของเรานี่เท่นั้นเป็นท่าสี่เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านี้คือคนที่ไม่เห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยเขาจะยึดถือว่าอันนี้เป็นของเราถ้าเห็นตามที่เป็นจริงก็จะปล่อยวางได้แต่พูดอย่างเนี้ยมันเข้าใจยากค่ะต้องไปปฏิบัติใช่ถ้าเราจะพูดในรายการทั้ชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยอธิบายยังไงมันจะเข้าใจยากติดต้องเป็นสมาธิถึงจะเข้าใจได้ต้องไปต้องไปเอ อฝึกแล้วก็ค่าหลักสูตรกันจริง ๆ, ๆนะเจ้าคะ<ช>่<ช>ะเขจะเข้าใจเมื่อสักครู่ที่พระพระอาจารย์ไทบูลเอภิปุโนได้พูดถึงอทิศ ท, ทั้งหกนั้นเนี่ยยมอยากจะให้พระอาจารย์เมตตาเรียนให้ท่านผูงทางบ้านทราบว่าเจ้าค่ะว่าที่องค์พระสจมามาสัมผัที่เจ้าได้สอนไว้เนี่ยทิศเบื้องหน้าเป็นใครหลงเล้ยนซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้เจ้าค่ะหรือว่าท่านผูฟังจะได้เป็นความรู้เจ้าค่ะแตทิศเบื้องหน้านี่คือมาดาบิดาจะทิศเบื้องขวาอันนี้คือครูอาจารย์ทิศเบื้องหลังนี่คือบุตรปยาทิศเบื้องซ้ายนี่คือ อมิจฉสหายจ้าจ้าทิศเบื้องล่างนี่คือลูกน้องจ้าทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์เรื่องที่ตั้งหกก็จะมีหกด้านอย่างนี้จ้าในที่ทั้งหกเนี่ยคือบุคคลที่เราต้องเกี่ยวข้องทั้งหมดจ้า อ, อีนยัยยะหนึ่งที่พระเจ้าได้พูดถึงการแผ่เมตตาก็คือว่าให้แผ่ไปที่ทั้งหกนี่แหละให้กับบุคคลเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดจ้าก็จะทําให้เราเป็นที่รักใคร่ของบุคคลเหล่านี้แผ่กระแสความรักความเมตตาไปนี่ก็อีนัยยะหนึ่ง ในย่าหนึ่งก็คือเรื่องของข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยได้เตือนมปเยอ ะ, ค, ะควรจะทําปฏิบัติกับเพื่อนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยยกสนิทจริงด้ยวยนะเจ้าค่ะเผื่อท่ า, <อ>านมาฟังอยากทราบอย่างเพื่อนเนี่ยมีเพื่อนหลายแบบเจ้่ ะ, ะ เ, เพื่อนหัวประจบเพื่อนปล อ, อ ก, ลออกร่อเพื่อนจริงใจเพื่อนตายใจกันได้ก็มีทั้นทั้งหมดแปดแบบพระพุทธเจ้าได้บอกไว้ซึ่งเรื่องที่สําคัญก็คือว่าเราต้องรู้จักรักษามิตรผู้ประมาท คือคนไหนเป็นคนดีเนี่ยนะคุณเตือนใจเราดูง่ายๆว่าเขามีศีลมีศรัทธามีการให้แล้วก็มีปัญญาเนี่ยอันนี้เราควรครบที <S S ่ถ้าเราครบกับคนนี้ไว้เนี่ยไม่เสียหายแ ต, แต่ถ้าเขาเถือนประมาทไปเราต้องเตือนเขาเพื่อนมันจะช่วยกันได้อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นเพื่อนดีซึ่งกันละกัน ก็เรียกว่าเป็นกระะนารยานมิตรนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เรียกว่าในที่ตั้ง6กอย่งที่พระอาจารย์เทบุลได้บอกมานั้นเนี่ยเราจะได้รับฟังเลยว่าองค์พระสรรมสมักรุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงมีพุทธวจนะในการสอนให้เราแต่ละทิศนั้นเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรซึ่งถ้าหากว่ายมเชื่อมั่นนะเจ้คาค่ะว่าถ้าคนที่ได้รับทราบพุทธวจนะตรงนี้แล้วนํามาปฏิบัติจริงๆนั้นเนี่ยจิตใจของคนเราจะสูงขึ้นอีกเยอะเลยแล้วก็สังคมเนี่ยเจ้าค่ะก็คงจะอยู่ อย่างเป็นปกติสุขยิ่งขึ้นนะเจ้าค่ะ<ช>ก็คือเพราะว่าพระพุทธองค์ก็ได้สอนไม่หมดแล้วว่าสัมมาวาจาเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมเจ้าค่ะซึ่งปัจจุบันคนเราก็ไม่ค่อยจะทําตรงนั้นนะเจ้าค่ะอาจจะไม่รู้หรือหลงลืมไปเจ้าค่ะอืก็กบขอบพระคุณอาจารย์ไทรบุญอภิปุโนเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะที่ได้เมตตา ม, มาเล่าในวันนี้ก็คิดว่าทั้งผู้ฟังทางบ้านที่ตามเราฟังอ่าพระอาจารย์ไพรบุญอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อทวดสะอาดทิโภาโส หรือท่านพระครูสิทธิ์พระภากรซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบ่าดอนหายโศกที่ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้พูดคุยมาในรายการธรรมารับรุ่เช้าวันนี้คงจะได้สาระทางที่ที่ดีหลายอย่างค่ะแล้วก็อยากจะขอเรียนเชิญชวนนะคะในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ในหลักสูตรฤทธิ์เล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนารุ่นที่24่รุ่นที่25นี้จะเริ่มวันที่สามสเมษายนถึงวันที่8 พื่อสาคม น, นะเจ้าค่ะถ้าเพื่อใครสนใจก็เปิดเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็สมัครกันได้เลยที่ p พีย t ธ a รมะ .com นะเจ้าค่ะจะไม่เจ <Nein. S 1> ้าค <rial> ่ะพ <statistics> ิจารณเจ้าค่ะแล้วก็หลวงพ่อด็อเตอร์ .com หลวงพ่อด็อเตอร์ .com ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการอีกปฏิบัติใจไปที่หลวงพ่อดร็อคเตอร์ .com เจ้าค่ะ ก็คิดว่าอ่าต้องปฏิบัติเองเพราะว่า<ม>อย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราก็คงไม่รู้ซึง้ง<ม>ใครมาอธิบายอย่างไรเราก็คงจะไม่ทราบซึง้งซึ่งในขณะนี้เนี่ยโยมคิดว่าโยมมีบุญอย่างยิ่งที่ได้ผ่าหลักสูตรนี้แล้วก็คิดว่าจะไปอีกเจ้าค่ะ<ช>จะได้ละเอียดขึ้นนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ สุดท้าย<ห>พระอจาย์มีอะไรที่จะอุยพรท่านผู้ฟังชาบ้านว่าเจ้าค่ะชุนกว่าจะพบกันในวันอ่าสัปดาห์หน้าเจ้าค่ะอรรมาก็จะขอแก้กล่าวว่าก็ชวนชวนให้กันมาปฏิบัติค่ะธรรมะเราจะควักหยิบให้มันก็ยากอยูย่ต้องมาเอาเองให้ช่วยๆกันมาปฏิบัติวัดป่าตอนไหนโศกนะไม่ใช่ว่าโศก วัดป่าดอนหายโศกนะคะไปแล้วก็ปลองหายโศกแล้วไปแล้วจะให้ร้องให้ไม่ใช่ค่ะเพรา้องด้วยความเพื้อปิตินะคะวค่ะก็คงจะถึงเวลาที่จะต้องกราบนมัสการลาแล้วนะเจ้าค้าเราจะพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้าซึ่งเป็นการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ไพลบุญอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อทดเจ้าสะอาทิโตภาโศท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับในเชาวันนี้กราบนมัสการขอพระค ขุนและกาบน้สกานาเจ้าค่ะยืนพอยืสาธุเจค่ะติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้ใหม่ในวันพรุ่นี้เวลา5้านาฬิกาถึง5้านาฬิกาสานาทีที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ